อีกเรื่องหนึ่งมาเงินในอดีตการพระประเจกกับโพธิสัตว์5องค์พระประเจกทั้ง5องค์นี้บวชในาศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะบัมเพญขตะปัจจากขตะวัดนํากรรมฐานไปนํากรรมฐานกลับตลอดสองห 0,000 ื่นปีที่เราว่าโหภาคเพียนพยายามปฏิบัติทั้งสองห0ื่นปะีเนี่ยนะสิ้นชีวิตชาตินั้นก็อุบัติจุติแล้วก็ปฏิสนธิในเทวโลกจุติจากเทวโลก บรรดาทันทั้ง5นะั้นะนะเทพบุตรหัวหน้าก็มาเป็นพระราชาในกรุงพาราสีสี่องค์ที่เหลือก็เป็นพระราชาธรรมดาเป็นพระเจ้าประเทศราดคือสมัยนั้นเนี่ยพระเมืองพาราสีมั น, เ ป, นเป็นเมืองใหญ่มากนะเมืองที่อื่นก็ถือว่าเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยพระราชาแม้ทั้งสองค์นั้นก็เรียนกรรมฐานสละราชสมบัติบวชบรรลุปเป็นพระประเจ้าพระพุทธเจ้าโดยลําดับอยู่ที่เงื้อมเขานันทามุรากาเนะเนี่ย พวกบริวารนี่โดยมากบรรลุ ก, ก่อนอาจารย์ทุกทีเลยนะพระประเจกมีหลายองค์แล้วเป็นยังไงนีอ่อาจารย์โมทํรรมราอะไรอยู่วันหนึ่งพระประเจกเหล่านั้นนี่ออกจากสมาบัติแล้วก็นึกถึงกรรมของตนทําบุญอะไรามาเนาะจึงได้มาบรรลุปเจกพระพุทธเจ้าที่เป็นความสุขอย่างนี้ะนะนั่กรรมของตนและสหายโดยในที่กล่าวและในวังสกฤตฤศคราษา รู้แล้วก็สแสวงหาโอกาสเพื่อจะแสดงอารมณ์โดยอุบายแก่พระเจ้ากรุงพาราณสีรู้ว่าเพื่อนคนนี้จะบรรลุเหมือนกันแต่แม้ช่วงนี้มันดูท่าจะบรรลุยากว่างั้นเถอะห้อมล้อมยังกำลังพึ่งขนาดนั้นอะไรพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยก็สะดุ้งตื่นในเวราตรีทั้งสามครั้งเป็นเป็นแปลกว่าตกกลางคืนมาจะสะดุ้งคือละสามครั้งอ่ะนะแบบอะไรนะลบนอนนอนไปสบายก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมา3ครั้งคืนละสามครั้งก็เลยกลัว ร้องด้วยพระสุรเสียงผิดปกติวิ่งสู่พื้นใหญ่เนี่ยนะมันสะดุ้งกลัวมากเลยอนะ่ะวิ่งใหญ่เลยแม้ถูกพวกปุโรหิตลุกขึ้นตามกราบทูลถามถึงการบรรทมเป็นสุขพระองค์ก็เลยเล่าเรื่องนั้นทั้งหมดว่าอาจารย์เรานี้จะมีความสุขมาจากที่ไหนกันคืนก็นสะดุ้งตื่นวิ่งเลยแหละฝ่ายปุโรหิตคิดว่าโรคนี้ไม่อาจจะกาจัดให้หายขาดได้ด้วยการประกอบยามีการถ่ายท้องเป็นต้นนะนะ บอกล้างท้องก็ไม่หายราอยโรคสะดุ้งกลางคืนอย่างงี้ยไงแต่เราเกิดอุบายที่จะให้เสวยยาจึงทูลพระราชาให้สะดุ้งกลัวยิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่มหาราชานั่นเป็นบุพนิมิตแกล้งส่งเลยนะแหมเจ้ที่ปรึกษาอย่างนี้เข้าในเดือดร้อนนะเที่ปรึกษาก็แกล้งส่งไปเรื่อยบอกว่านี่นะมันเป็นเครื่องหมายเป็นเหตุการณ์เป็นลางบอกว่าพระองค์จะเสื่อมจากราชสมบัติแล้วพระองค์จะสิน้นพระชนชีพด้วยนะ สัมบัติของพระ อ, องค์ก็จะเสื่อมหมดพระ อ, องค์จะตายด้วยเย่างนั้นเสร็จแล้วก็ทูลชวนพระราชาให้ประกอบการบูชายันเรื่องของเรื่องก็จะกินสว่วยอย่างนั้นแหละนะพระองค์ก็ต้องจับช้างเท่านี้ม้าเท่านี้รถเท่านี้เงินเท่านี้ทองเท่านี้เป็นทักษิณาบูชายันให้พ้นอันตรายสะดอกเคราะห์ขนาดนี้แล้วสงบไม่มีปัญหาอพราะงนั้นแต่ต้องช้างเท่านี้ม้าเท่านี้นะไอ้ไอคนประกอบก็คือคนเสนอนั่นแหละ ครั้งนั้นพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายผูกอ่ะนะสัตว์หลายพันถูกนํามารวมเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่การฆ่าบูชายัญก็เลยคิดว่าพระราชาเมื่อทํากรรมนี้แล้วเนี่ยนะน่าจะตรัสรู้ให้แนะนํายากถ้าพลาดไปทําปานาติบาแล้วเรื่องยาวชาตินี้หมดสิทธิ์ว่างั้นอ่ะนะดูท่าแล้วไม่ต้องบรรลุกันแล้วว่างั้นอ่ะนะมีอุปนิสัยนะแต่ถ้าประโยคนาววิบัติเมื่อไหร่ก็อุปนิสัยที่เคยมีนี่สิ้นเลย คือเหมือนอย่างว่านะเด็กบางคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถเรียนที่จะจบสูงๆทํางานใหญ่ๆโตๆได้แต่ถ้าติดยาเสพติดตั้งแต่เล็กแต่น้อยแหละทำอะไรได้ใช่ไหมหรือไปประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยนะสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเนี่ยทําไงได้ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลก็เหมือนกันถ้าบาปมากระเทือนใจอย่างรุนแรงเช่นฆ่าสัตว์นี่ถือว่าใจกระเทือนรุนแรงที่สุดเนี่ยนะฉะนั้นถ้าถึงขนาดลงมือฆ่าแล้วบรรลุยากเหล่า น, นั้น จะไปรู้จะไปเข้าประตูไหนจะให้บรรลุได้เอาเถิดเรานี่จะรีบเปลื้องพระองค์ก่อนนั่นเที่ยวดีนะได้กาลยานมิตรในอดีตชาติมาช่วยเนี่ยนะกาลยานมิตรในอดีตชาติเนี่ยนะไอการครบเพื่อนแท้เอาไว้เนี่ยนะคบกาลยานมิตรเอาไว้เนี่ยคบไว้เมื่อไหร่ก็ดีเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเดี๋ยวท่านก็ไปช่วยกันเองแหละนี่ก็เหมือนกันท่านก็ไปเที่ยวบินธบาตในลานฆ่าสัตว์พอดีปกติเขาไปบินธบาต ท, ที่ไหนที่หลางบูชาหยัน แต่นึกอุมบาดไปที่ลานบูชายันเข้าพระราชาประทับยืนที่สีหบัญชรแลดูพระลานหลวงเห็นพระประเจ ก, กับพะพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์พระองค์ก็เกิดพระเนหาพร้อมกับการเห็นนั่นแหละเห็นสี่องค์แล้วรักมากก็ปุเพสนิวาสที่เคยอยู่ร่วมกันในชาติตางก่อนมาเนี่ยนะพอเห็นแล้วก็นึกรักไอ้คำว่าสเสนหาความรักนี่ไม่ได้เป็นลักษณะหญิงกับชายเท่านั้นแต่หมายถึงว่า รู้สึกนึกแบบคุ้นเคยแบบผูกพันกันอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นพระองค์ก็นิมนต์ให้พระประเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นมาให้นั่งบนอาสนะที่ปูเอาไว้แล้วที่พื้นสําหรับตากอากาศเสร็จแล้วพระองค์ก็ถวายอาหารให้ฉันโดยเคารพถามพระปเจกขพุทธเจ้าผู้ทําพัตกิจทั้งสี่องค์ว่าพวกท่านนในชื่ออะไรบอกมหาบาพิตรอาตมาชื่อว่ามาจากทีท่ทั้ง4ี่อย่างนั้น ถามชื่อเนี่ยนะแหมตอบบอกมาจากสี่ทิศมางั้นนะนะนะข้าแต่ท่านผู้เจริญไอ้คาว่าทิศทั้งสีเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันดียังไงไอส้สีมาจากทิศทั้งสีเนี่ยนะคือคือคื อ, คอมันเป็นคําของโบราณ น, นะโบราณเนนะี่ยเพรานนะว่าท่านมาเพื่อประโยชน์อะไรคือทุกคําของสมัยนั้นเนี่ยนะเขาจะมีแต่คําถามประเภทนี้นะเป็นคําถามที่ตอบยากมากบางทีเราแบบค้ายๆกับว่าไปเที่ยวไปเล่นในชะบอกมาเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยแหมงงเลยนะ แต่บอกมาเที่ยวยเขาถามประโยชน์เราบอกมาเที่ยวไม่มีประโยชน์เนี่ยแม้เศร้าเลยพรางั้นนั้นสมัยโบราณเขาแนะสนใจให้ความสําคัญกับประโยชน์มากเ้าประโยชน์สามหาบาพีธในทิศ ท, ทั้งสี่อาตมาไม่มีภัยหรือไม่เคยหวาดสะดุ้งอะไรทางใจเลยใจไม่สะดุ้งเลยไม่ในทุกสี่ทิศเนี่ยนะไม่มีสะดุ้งเลยก็เรียกว่าผู้อีกสํมจูนสํานวนหนึ่งแปลว่าผู้ไปในทิศ ท, ทั้งสี่ก็ได้ผู้ไปได้ทุกทุกทิศว่น ง, งั้นเถอะ ไอ้คำว่าทิศทั้งสในทีนี้แปลว่าไปได้ทุกทิศเพราะไปในทิศไหนก็ไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไปไหนก็สบายไปหมดเลยนะไม่เหมือนเหมือนคนมีกิเลสใช่ไหโอ้ที่นั่นมันเสียวที่นั่นไม่น่าไปที่นั่นมันมันมันมันสรุปจนไม่ได้ไปอลยแต่ไม่เหมือนพระปเจกับพระพุทธเจ้าที่ไหนก็ไม่มีภัยท่านผู้เจริญภัยนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะเหตุอะไรเอท่านไปทําอะไรมาทําไมท่านจึงไม่มีภัย พระปเจกับผู้ตถาจ้าก็เลยทูลว่าพวกอาตมาเจริญเมตตาองค์ที่หนึ่งบอกเจริญเมตตาองค์ที่สองบอกเจริญกรุณาองค์ที่สามบอกมุทิตาองค์ที่สี่อุเบกขาภัยก็เลยไม่มีแก่อาตมาทุกองค์พูดคละคัมคละคัมสี่คำก็ครบลุกจากอาสนะกลับไปที่อยู่ครั้งนั้นพระราชาก็คิดว่าสมณะเหล่านี้กล่าวว่าภัยย่อมไม่มีเพราะการเจริญเมตตากรุณาและมุทิตาอุเบกขา แต่พวกพราหมณ์กล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์หลายพันคำของพวกไหนเป็นคำจริงเออเราจะเชื่อใครดีเนี่ยพระสีองค์เนี่ยนะบอกว่าเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไอ้พราหมณ์ปุโรหิตอาจารย์ของเราเนี่ยนะปุโรหิตเนี่ยมันถือว่าตำแหน่งอาจารย์พระราชาที่ปรึกษาของพระราชาอาจารย์ของเราก็บอกว่าฆ่าสัตว์บูชา ย, ยัญตั้งหลายพันเนี่ยนะ สมณะทั้งหลายย่อมกล่าวสิ่งที่บริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่บริสุทธิ์เท่านั้นแยกเลยนะแยกเลยว่าใครนี่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่สะอาดบริสุทธิ์ก็พวกพรามกล่าวสิ่งที่บริสุทธิ์ด้วยความไม่บริสุทธิ์ใครๆไม่อาจล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์คิดง่ายๆว่าเอาน้ำลายมาล้างขยะได้ไหมอ่นะเอาปัสสาวะเอานะ อ, านะอุจจาระปัสสาวะมาล้างขยะอยากเย่อออกสาเร็จห เขาบอกว่าของไม่สะอาดเอาไปล้างของไม่สะอาดมันมีที่ไหนหว่างนั้นเพราะฉะนั้นคําของพวกนักบวชคือพระภิกษุคือพระประเจกับพระตถาจ้าทั้งสี่รูปเท่านั้นเป็นความจริงแสดงว่าท่านมีปัญญานะสั่งสมอุปนิสัยมามากพระราชานั้นก็เลยเจริญพรหมวิหารทั้งสทิศเนี่ยนะเจริญพรหมวิหารทั้งสีนะงส่ตอนนั้นเลยพอพูดจบตัดสินใจว่าคําของนักบวชที่กล่าวของกล่าวถึงการจเจริญเมตตาเนี่ยเป็นคําจริงคําแท้เป็นคําดีเป็นคําที่น่า ปฏิบัติตามท่านก็เลยเจริญมีตาน้อมแผ่ประโยชน์ให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขนะไม่มีเวรมีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดก็เจริญกรุณาวราขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเถิดแล้วก็เจริญมุทิตาณนะร่วมบันเทิงขอให้สัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเถิดแล้วก็วางใจว่าสัตว์ทั้งหลายไปตามกรรมของตนมาตามกรรมของตนด้วยอุเบกขา ก็เลยเจริญว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความสุขเถิดเสร็จแล้วพค์ก็ตรัสกับอำมาตทั้งหลายด้วยพระทัยแผ่ไปด้วยประโยชน์เกื้อกูลคือพูดด้วยคําที่เป็นเมตตาว่าท่านทั้งหลายจงปล่อยสัตว์ทั้งหมดนะเมตตานี่พอเจริญเมตตามากๆขึ้นมากๆขึ้นก็รั ก, ร ก, รกสั ต, สตว์เสมอโดยบุตรใช่ไหมก็ปลอกไปปล่อยสัตว์เถอะขอท่านทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มน้ําที่เย็นกินหญ้าที่เขียว และลมเย็นๆจงรำเพยพาสสัตว์เหล่านั้นให้มีความสบายอมหาตก็ทำตามอย่างที่พระองค์รับสั่งจากนั้นพระราชาก็เลยคิดว่าเราพ้นจากบาปประกรรมความชั่วคือการฆ่าสัตว์ก็ด้วยถ้อยคำของกัลยาณมิตรผู้แนะนำประโยชน์เหนนประทับนั่งณนะที่นั้นเองเจริญวิปัสนาเห็นแจ้งปัจเจกโพธิญาณปล่อยสัตว์เจริญเมตตาบรรลุเลยเหรนะ ครั้งนั้นอมาก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบัดนี้ถึงเวลาเสวยพระกยาหารแล้วขอพระองค์จงเสวยพระองค์ก็ตรัสพระดำรัสทั้งปวงว่าเราไม่ใช่พระราชาว่างั้นเอาไม่ใช่พระราชาแล้วเป็นอะไรออกเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าเนีเนก็บอกว่าพิจารณายังไงจึงได้บรรลุเป็นพระประเจกกับพุทธเจ้า ท่านก็บอกว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นมีปกติอยู่ตามสบายในทิศทั้งสอยู่ในทิศทั้งสี่อย่างไม่มีความขัดเคืองอยู่ในทิศทั้งสี่โดยที่ไม่มีความไม่มีไภัยไม่มีอันตรายยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้อยู่ในทิศทั้งสี่ครอบงำอันตรายทั้งหลายได้ไม่มีความหวาดเสียวเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียว ดุดนอแรกเหอก น, นก็เลยอธิบายว่ามันนะในหน้า164อธิบายตามลำดับสับว่าจะตุดที่โสเพราะอถ า, าว่าบุคคล น, นั้นทิศทั้งสี่แผ่พรมนิหารภาวนาไปตลอดทิศที่หนึ่งที่สองที่สมที่สี่ในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเป็นต้นเนี่ยนะนคำว่าปลอดภัยในสี่ทิศก็คือจเจริญเมตตาไปได้ทุกทิศ ไม่มีทิศไหนที่มันมีภัยเจริญพระมิหารไปในทิศทั้งสี่ไม่มีทิศไหนที่เป็นภัยบอกว่าไม่เดือดร้อนเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนศักสังขารทั้งหลายด้วยภายในทิศเหล่านั้นทิศใดทิศหนึ่งก็คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีโอเบขาในทิศทั้งสี่เนี่ยนะก็สันโดษ ด, ด้วยสันโดษสิบสองประการ บอกว่าบทว่าปริสยาเนี่ยนะครอบงําคือยังกายและจิตให้เสื่อมครอบงํากายและจิตเหล่านั้นทําสมบัติของกายและจิตเหล่านั้นให้เสื่อมเสีย mm hmm. ก็เรียกว่าปริสยาหรือภัยเนี่ยนะปริสยานั้นเป็นชื่อของอันตรายทางกายและทางใจเนี่ยนะก็อันตรายทางกายก็เช่นเสืออสีหเสือโคร่งเป็นต้นอันตรายในใจก็การมาฉันทานิวร์ก็กิเลสทั้งหลายเรียกว่าอันตรายภายใน ผู้ที่ครอบงำอันตรายเนี่ยนะครอบงำอันตรายด้วยอธิวาสนะขันติและด้วยวิริยะอธิบายว่าไม่หวาดเสียวเพราะไม่มีภัยที่ทำให้ถึงความแข็งกระด้างอธิบายว่าเราเห็นคุณในการปฏิบัติอย่างนี้ว่าบุคคลยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้เหมือนสมณะสี่รูปเหล่านั้นดำรงอยู่ในสันโดษอันเป็นประทัดฐานเหตุใกล้ของการปฏิบัติอย่างนี้ เมื่อสันโดษอย่างนี้อยู่ในทิศทั้งสี่ด้วยการเจริญพรมนิหารคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในทิศทั้งสี่เป็นผู้ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีการกระทำความเบียดเบียนในสัตว์และสังขารบุคคลชื่อว่าครอบงำซึ่งอันตรายมีประการที่กล่าวแล้วเพราะความเป็นผู้อยู่ในทิศทั้งสี่และชื่อว่าเป็นผู้ไม่หวาดเสียวเพราะเป็นผู้ไม่เดือดร้อน ปฏิบัติโดยแยบคายก็บรรุปัจเจกกะโพธิยานเนี่ยนะก็คือถือเอาพรหมวิหารเป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระประเจกกะพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งเรารู้ว่าบุคคลยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้เหมือนสมณะเหล่านั้นผู้อยู่ในทิศ ท, ทั้งสี่โดยที่กล่าวแล้วปรารถนาอยู่ซึ่งความเป็นผู้อยู่ในทิศ ท, ทั้งสี่อย่างนี้แล้ว ปฏิบัติโดยแยบขายแยกคายก็คือปฏิบัติตามวิสุทธิ ท, ทั้ง7นั่นแหละแล้วก็เพราะฉะนั้นบุคคลอื่นที่ปรารถนาเช่นนั้นก็ต้องครอบนำอันตรายเพราะเป็นผู้อยู่ในทิศทั้งสีไม่หวาดเสียวเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกฉะนั้น น, น, นะนะ